บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปกระะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในเรื่องปัจจัยให้เกิดรูปที่เป็นส่วนของกิเลสคือวิชาตันหาอุปาทานและเป็นส่วนของกรรมซึ่งเป็นกุศลก็ตามอกุศลก็ตาม ปยากรตะ ก, กรรมคือกรรมที่เป็นกลางๆก็ตามถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานของขันแม้ข้ออื่นๆแต่ปัจจัยของรูปที่รูปดำรงอยู่แล้วก็สืบต่อกันมาได้โดยลำดับนั้นก็อยู่ที่อาหารซึ่งเป็นอารมณ์ที่บุคคลจะต้องเกี่ยวข้องในปัจจุบันแต่ในขณะเดียวกันก็มีอิทธิพล ให้สร้างในในการสร้างความยิ ด, ดีความยินร้ายให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของ บ, บุคคลตลอดถึงลักษณะโหยหาอะไรถึงสิ่งเหล่านั้นตัแล้วแต่มาจากสิ่งที่ทรงใช้คำว่ า, าอาหารอาหารคือสิ่งที่ผ่านมาทางช่องปากจะดื่มก็ตามจะริมก็ตามจะชิมก็ตาม เรเรียกว่าผ่านเข้าไปทางช่องปากเราดูแล้วใกล้ๆจะเป็นอาหารเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับลิ้นแต่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วมันก็มีทั้งรูปทั้งสีทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งสัมผัสซึ่งก่อให้เกิดความกระดับอินดีพอใจในอาหารเท่านั้นมีติปนในการผลักดันจิตใจให้สายไปสู่อดีต อย่าเมื่อพอใจติดใจกับนัดยินดีในอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งหรือขยะแขยงรังเกียจ ต, ตลอดถึงไม่พอใจเมื่อได้รับโทษรับภัยรับอันตรายจากอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งดนั้นความรู้สึกต่ออาหารในอดีตจึงออกมาในรูปรักชังเหมือนกัน แต่ตามปกติจะทรงใช้ก็มาหยินดียินร้ายคือยินดีกับหรือชอบประช่งอาหารที่เราสัมผัสในปัจจุบันตลอดทั้งอาหารที่เราเก็บความชอบความช่งไว้ภายในใจก็มีอิทธิพลในการผลักดันใจิตใจของบุคคลให้สายไปเพื่อ สแสวงอาหารที่ใจเราเก็บไว้ในฐานะน่าใคร่น่าปรารถนาตามพอใจดังเกียขยักขย้งตลอดถึงแสดงความไม่พอใจต่ออาหารที่เราเก็บไว้ในฐานะไม่พอใจลักษณะเหล่านี้จะมีผลต่อใจิตใจของบุคคลในการเพิ่มกิเลสหรือแม้แต่การเพิ่มธรรมะ อย่างที่บอกไว้แล้วอาหารนั้นเป็นอัปยากตะธรรมปุรมะที่เป็นกลางกลางเมื่อเขาเป็นกลางกลางก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้ทั้ง3มทางคือเป็นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้เป็นกลางกก็ได้พระเจ้าจึงทรงใช้ผู้อาหารเรบปฏิกูรสัญญาตือการกำหนดหมายเห็นความปฏิกูรของอาหาร มหมายความว่าโรค ก, ก็คงต้องเกี่ยวข้องกับอาหารแต่เป็นการเกี่ยวข้องยังรู้เท่าทันตามความเป็นจริงไม่สยบติดไม่ว ม, ม่มีความก้อนดื้อเพลินผูกพันธ์อะไรหอยหาเ่กับอาหารเหล่านั้นประการต่อไปที่ทรงใช้คำว่าวิญญาณอาหารอันที่จริงแล้วอาหารที่เข้าไปทางช่องปากดังกล่าวนั้น แล้วก็เป็นบิน ญ, ญาณอาหารชนิดหนึ่งในกรณีที่เราพอใจในรูปร่างของอาหารเหล่านั้นมันก็กลายเป็นโสตะบิน ญ, ญาณกลายเป็นจักุบิน ญ, ญาณคือความรู้รูกทางตาพอใจติดใจในรสมันก็เกิดมาจากจิวหาวิญญาณคือความพอใจความรู้รสทางทางลิ้น บางีก็มีการจับต้องและรู้สึกพ่น่ารับประทานมันก็กลายเป็นกายจิตวิญญาณคือเกิดความรู้ขึ้นมาทางกายก็ตกลงก่าก็หมุนไปบุญมาก็อิงอาศัยซึ่งกันและกันเพียงแต่ว่าปัจจัยที่นําผลมาในด้านทางวิญญาณ น, นั้นเนื่องจากโลกเราไป็นโลกสัมผสัสสิ่งที่เราสัมผัสจะมีอยู่สามประเภทใหญ่ๆคือดีไม่ดี ก, กับกลางๆ ละเรามองด้วยความยินดีกับความยินไรหรือความรู้สึกเฉยๆเพราะการรับรู้อารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสของคนจึงนำผลมาแตกต่างกันในกรณีของการยินดีก็นำสุขเวทนามาให้ในกรณีของความยินไรก็นำทุกเวทนามาให้ในกรณีของการเฉยๆก็นา ความไม่ทุกข์ไม่สุขมาให้เพราะจากจุดนี้ท่านสาธุชนจะเห็นว่าความรู้สึกของบุคคลมันก็มีเกาะ อ, อยู่สามกลุ่มด้านนั้นเองคือสุขทุกข์หรือเฉยๆไม่ถึงกระทุกข์ไม่ถึงกระสุ ข, ขออกมาชัดเจนที่ทรงใช้คำว่ า, าทุกข์กับมาสุขนี้เป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชาตนาอุปาทานกรรมมาได้อีกก็หมุนวนกันมาได้ จากจุดนี้แหละพระพุทธเจ้าก็มีวิธีสอนหลายๆวิธีด้วยกันที่เกี่ยวกับประสาทสัมผัสซึ่งเราจะพบมากเป็นพิเศษท่นนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าโลกเราเป็นโลกของสัมผัสดังกล่าวพูดไปพูดมามันไม่อื่นไปจากโลกของสัมผัสสิ่งจะดีหรือไม่ดีมันก็ต้องผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่เสมอเนื่องจากวิญญาณเองเขาเป็นกลาง จะอาจจะเป็นที่เกิดของธรรมะก็ได้เป็นที่เกิดของกิเลสก็ได้หรือเป็นที่เกิดของความรู้สึกเฉยๆก็ได้ก็ทรงสอนไว้ทั้งสองแนวแนวนหนึ่งนั้นก็คือการหลีกเนไม่ไปเกี่ยวข้องกับปรุ่มของอารมณ์ทั้งหลายที่เราได้ศึกษามาว่าคำสอนอันใดที่เป็นไปเพื่อความไม่ครุกคลีด้วยหมู่คณะ นั่นเป็นธรรมเป็นวิไนายเป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาคำสอนให้พยายามหลีกเล้นตัวเองออกไปหาความสงบสังสติสา ม, มัญญะความเพียรและลึกรู้อยู่ในอารมณ์ที่จะน้อมนำความสงบมาให้ระการไปเจอกับอารมณ์ข้างนอกมันก็ไม่แน่แรงต้านทานของอารมณ์จะมีมากพอหรือไม่เราก็ไม่รู้เพราะงั้นหลบซะก่อนดีกว่า แต่แนวการหลบมันก็ใช้ได้เฉพาะคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีไม่มากนะักคนส่วนใหญ่ยังเกี่ยวข้องอยู่กับอารมณ์โลกทั้งหลายเพราะวิญญาณความรู้รูปเสียงกินรถบุตรพระธรรมร์มก็ต้องเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลอยู่เสมอจะเป็นวิญญาณก้อไหนแต่นั้นเองเพราะนั้นก็ส่งสอนในรูปอื่นในกรณีที่จะเป็นอกุศล จะลืมว่าการหลีกเร้นนั้นสอนในกรณีหลีกเร้นจากอากุศลเท่านั้นแม้แต่การข้อพาสมาคมก็หลีกหนีการข้อพาสมาคมกับคนพานซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดความรู้ในทางที่ไม่ดีขึ้นมาเท่านั้นส่วนการข้อพานสมาคมกับบัณฑิต การทำตัวในใกล้ชิด ต, ต่อพระรัตนาฏย์ใพระเจ้าประทรบประสงค์กล้ต่อใจสิขาเป็นเรื่องที่ทรงสอนตรอกยังให้กระทาแต่แม้แต่ประสาสัมผัสก็กกไม่รักษณะเช่นเดียวกันคือถ้าไปได้เห็นสิ่งที่ดีๆได้ฟังสิ่งที่ดีๆได้สุดดมสิ่งที่สามารถน้มน้าจิตใจของตัวเองให้เกิด ความรู้ยิ่งความรู้ดีขึ้นมาได้ตลอดถึงกับต้องสัมผัสอะไรแล้วเป็นเหตุให้เกิดผลในทางที่ดีเพราะอาหารแปลว่าสิ่งได้นำผลมาก็ส่งสอนก็ส่งตอ่อย้ำมันขาวคำสอนในแนวที่เราเรียกว่าอินเสียสังวรหรือสํารวมระหว่างอินเสียนั้นหมายเอาเฉพาะสิ่งที่จะเป็นเหตุให้เกิดอกุศลเท่านั้นไม่ได้หมายถึงทุกๆอารมณ์ อารมณ์ใดก็ตามที่รู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆอ ย, ย่างไปแล้วกิเลสที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นกิเลสที่เกิดแล้วจะเพิ่มบูดมากยิ่งขึ้นก็ทรงสอนในหลีกเว้นอารมณ์เหลนั้นแต่ถ้าอยู่ในทรรนองตรงกันข้ามคือธรรมะที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วจะเพิ่มบูดมากยิ่งขึ้นก็ทรงสอนให้ใกล้ชิด คบหาสมาคมเสพคุณเกี่ยวข้องผูกพันยงใหญ่กับสิ่งตัวนั้นมัะเหตุเกิดของกุศลธรรมทุกๆข้อที่ทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆนั้นมันจะมีอยู่สองข้อที่เหมือนกันคือกัลยาณมิตรตากาับสปายกถากัลยาณมิตรตาก็คือการคบหาสมาคมการเกี่ยวข้องกับบุคคล กับเหตุการณ์กับ ร, รมะในทางที่ดีที่จะน้มน้าวจิตใจของตนเองให้หันเข้าสู่ความสงบถึงว่าที่ยิงตัวกาลยานามิตรตานั่นเองจะให้จักกุวิญญาณให้โสตะวิญญาณให้คณะวิญญาณให้กายวิญญาณให้มโนวิญญาณแก่บุคคลตนนั้นซึ่งบางทีก็ให้รัศววิญญาณคือครบไปหมดเลยให้จิวหาวิญญาณซึ่งครบไปหมดเลยทั้ง ประสาทตั้งหุของเาแล้วก็ท่งเน้นไปที่คำลีใช้คำว่าสัายากถาคือฟังแล้วสบายหูสบายใจคือกะถาเป็นที่สบายพูดแล้วกงฟังสบายนำมาคิดก็ยิ่งสบายใหญ่ที่จริงพวกนี้ก็นำอาหารมาแต่อาหารที่จะเกื้อกูลรอสุขภาพจิตของบุคคลเหล่านั้น ก็ทรงสอนในแนวของรูปของการเสบคุ้มขวอหาสมาคมโดยประการต่างๆ อ, าาอันอีกประการหนึ่งนั้นคือผัสสาหารอาหารคือผัสะได้แก่การกระทบที่จริงแล้วในแง่ธรรมะปฏิบัติมันเป็นเรื่องของความต่อเนื่องกันเพราะอาหารชนิดเดียวเนี่ยมันอาจจะเป็นครบทั้งสี่อย่างก็ได้ เช่นสมมติว่ารับประทานขนมอย่างใดอย่างหนึ่งตัวขนมนั้นก็เป็นอาหารที่ผ่านโดกลําคอเข้าไปที่เราเรียกก่าลิงกระลาห์แต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้รสชาติของอาหารเหล่านั้นด้วยลิ้นมันก็เป็นชีวหาวิญญาณสแสดงว่าเป็นวิญญาณอาหารในด้านนี้เราจับต้องด้วยมือก็สแสดงว่าเป็นกายจะวิญญาณเกี่ยวกับความรู้ทางกาย เราเห็นความน่ากินน่าเด็ดอร่อยก็มาด้วยตาก็ เ, าเป็นจักุวินดาณคือความรู้ต่างๆใจไปกำหนดหมายด้วยความพอใจมันก็เป็นมโนวินดาณตกลงว่าลักษณะทั้งหมดเนี่ยคือสัมผัสสัมผัสได้แก่การกระทบเป็นการกระทบของประสาทสัมผัส ต, ตามธรรมชาติของเราใครจะสอนหรือไม่สอนธรรมชาติมันก็เป็นเช่นั้นเพียงแต่ว่า พระ้าทรงเชื่อเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะป้องกันหรือสามารถที่จะเพิ่มเติมได้ตามสมควรแก่กรณีตอนั้นปฏิกิริยาธรรมธรรมชาติพวกนี้ที่จึงเป็นปฏิกิริยาธรรมธรรมชาติทั้งหมดคือไม่ได้เกี่ยวกับใครจะนับถือศาสนาอะไรหรือเกิดเมื่อไหร่ก่อนพุทธกาลมันก็เป็นอย่างนั้นสมัยต่อมาก็เป็นอย่างนั้นแล้วต่อไปมันก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นกระบวนการของธรรมชาติตามปรษาสัมผัสของเรา ตางกายภาพต่างจิตแต่พึงสังเกตว่าในกรณีที่จะเป็นเหตุให้เกิดกิเลสจะหมายความว่าพระุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ละอาหารไม่ได้สอนให้ละวิญญาณไม่ได้สอนให้ละสัมผัสเพราะมันละมันไม่ได้มันเป็นอาการทางประสาทสัมผัสเป็นอาการของโลกพ ร, ระหารมันก็มีมีอาหารมีวิญญาณมีสัมผัส เราไปลาตรงนี้ไม่ได้เพราะสำคัญว่าแก้ปัญหาในด้านจิตใจของตนเองอย่าให้ใจเกิดกำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงมัวเมาในอารมณ์เหล่า น, นั้นเป็นประการสำคัญซึ่งอันที่จริงแล้วเป็นการดึงเอาคุณสมบัติที่เรามีอยู่แล้วนั่นเองมาฏิบัติมาปฏิบัติเพิ่มพูนให้มากยิ่งขึ้น เพื่อสามารถรู้เท่าทันต่ออารมณ์ดอนั้นแล้วสงบใจจากสิ่งที่เป็นข้าสึกต่อความสงบทำใจให้ยินดีให้ศรัทธาให้เลื่อมใสให้เพลิดเ พ, เพิในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเพราะนั่นจะสังเกตได้ว่าในความสัมผัสที่จริงเราก็สัมผัส เช่นลมหายใจเข้าออกมากระทบช่องจมูกกระทบปลายจมูกกระทบริมฝีปากมันก็เป็นกายสัมผัสเราเพ่งดูพระพุทธรูปมันก็เป็นจั ก, กุสัมผัสเพ่งดูดวงกระสินเพ่งดูแสงไฟเพ่งดูสีต่างๆเพื่อทงจิตใจก็ร้ห้ส ง, งบอยู่กับสีเหล่านั้นมันก็เป็นโสตสัมผัสมันก็เป็นการกระทบทางหู แต่แม้แต่กรรมฐานในข้ออื่นๆมันก็เกิดจากสัมผัสดังนั้นนะ่ะมันเป็นสัมผัสเพราะใดข้อหนึ่งอยู่ทังนั้นเพราะสถานะของสัมผัสเขาจึงเป็นกลางๆเขาไม่ถึงก็ดีหรือไม่ดีหรือว่าแกวงไปแกวงมาด้านใดด้านหนึ่งลักษณะของเขาเป็นอภิญญาคตธรรมคือกลางๆ จะทําให้ดีก็ได้จะทําให้ไม่ดีก็ได้เกิดกิเลส ก, ก็ได้เกิดธรรมะก็ได้เพราะในชีวิตจริงของบุคคลคือการกระทบอารมณ์เป็นอันมากที่เกิดธรรมะได้ในขณะเดียวกันอารมณ์เป็นอันมากเหมือนกันก็ทําให้เกิดกิเลสขึ้นมาได้แล้วอารมณ์ที่ออกจะมากกเกินนะคือไม่เกิดทั้งกุศลในทากุศลระ้รสึกเฉยๆไม่สนใจจะนั่งรถไปไหนมาไหนมันก็มีสิ่งที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้น ทางตาหูจ ม, มูกกายนะแล้วก็ใจอย่าน้อยถ้าไม่กินอะไรไปอยู่ในขนาดนั้นมันก็มีประสาททั้งห้ารับทาหน้าที่อารมณ์อยู่แต่บั น, นี้เราเกิดไม่ใส่ใจไม่สนใจในอารมณ์เหล่านั้นมันก็สักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่ารสสักแต่ว่าสัมผัสไปตำบเราในกรณีเหล่านั้นแต่เราก็ทาได้นะฮะ ทำได้จะนั่งรถเมล์มาด้วยกันคันเดียวกันนะไม่รู้ว่ใครบานที่นั่งใกล้กันเราไม่สนใจอาจจะไม่รู้ไ ม, ไม่รู้ว่ผู้หญิงผู้ชายเลยทำไปนี่แสดงว่าตัวการใหญ่นั้นที่จะให้เกิดเป็นวิญญาณคือความรู้รูปเป็นต้นหรือเกิดเป็นสัมผัสการกระทบต่างๆเป็นต้นนั้นตัวการใหญ่มันอยู่ที่ใจ ใจของบุคคลไปมานสิการคือไปใส่ใจไปสนใจถึงอารมณ์ลด น, นั่นขา้าวพราะตัวมานสิการเนี่ยนะเราจะเห็นว่าที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือมนัสิการคือสนใจในเรื่องอะไรสนใจอย่างไรสนใจจะไปเช่นนั้นแล้วผลประโยชน์จะเกิดมาในด้านบวกหรือด้านลบ ไม่ใช่สอนไม่ให้สนใจแต่สอนให้เลือกสิ่งที่ควรสนใจโดยมองไปว่าถ้าสนใจเรื่องอะไรแล้วความกำหนัดความขัดเคืองความรุ่มหลงความบวมเมาี่ยังไม่เกิดมันจะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มปูดมากยิ่งขึ้นเพราะงั้นก็ไม่สนใจ คติของไทยที่พูดอยู่ประโยคหนึ่งว่าโอา้โหเป็นดาวตาไปได้คือไมาพความว่าเราอยู่ในที่หนึ่งนะแต่ไม่ดูไม่ฟังคือไม่สนใจดูไม่สนใจฟังมันใชกัำว่าโอา้โหเป็นดาวตาไปได้เราปรากฏตัวอยู่ในที่หนึ่งแต่หูเราไปฟังเสียงที่หนึงตาเราไปดูรูปที่หนึ่ง คือไม่ส น, สนใจไม่ใส่ใจในอารมณ์นั้นพันภัสะตัวกระทบเองมันก็พัสษะแต่ว่าผัสะแต่ในกรณีที่จะเคลิ่มธรรมะมันก็เป็นสัมผัสคือเราต้องใส่ใจที่ทรงแสดงโยนิโสมนสิการคือการกระทํไวบในใจด้วยปาดแยกกายว่าเป็นธรรมะปฏิบัติที่มีความสำคัญเหมือนพระอาทิตย์อุทัยขึ้นมาเนี่ยมันมีแสงอ่อนๆขึ้นมาก่อน การรับประอารมณ์ของบุคคลก็มีลักประทานเช่นเดียวกันแต่มันเริ่มต้นโด้วยโยในโสปนัสสิกาลพิจารณาโดยเหตุด้วยผลโดยบานแยกข่ายสิ่งเหล่านั้นจะดีโดยสภาพไม่ดีโดยสภาพเป็นกลางๆโดยสภาพก็ตามแต่ด้วยพลังแห่งปัญญาที่ออกมาในรูปของาการโยนในโสปนสสิกาลซึ่งบุคคลได้ใช้พินิษพิจารณาถึงอารมณ์เหล่านั้น เขาก็พร้อมที่จะได้ประโยชน์จากอารมบนั้นนั้นเครอนี้ไปสังเกตว่าคนแก่คนเจ็บคนตายเขาเรียกว่าเป็นสภาวธรรมแล้วจึงเรียกว่าเป็นสภาวทุกข์ซึ่งหมายความว่าสรรพชีวิตทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้จะต้องตกอยู่ในกฎเหล่านั้นเขาเองจึงเป็นอปยากตธรรมเกิดธรรมะที่เป็นกลาง ไม่ถึงก็ดีไม่ถึงก็ชั่วอะไรพระเจ้าเองก็สัมผัสได้ไปเห็นสิ่งเหล่านั้นแต่พระองค์ก็คิดไปในแนวที่จะให้เกิดความรู้แจ้งขีนจริงที่รู้เท่าตั้นตามความเป็นจริ ง, จ, รงจนมองโลกเป็นอั น, น, อนเดียวกันว่าตกอยู่ในกฎของแก่เกิดแก่จะตายเกิดมาแล้วก็ต้องแก่จะตาย เพรปัญญาที่เกิดขึ้นพิจารณานั้นในแง่ของธรรมะปฏิบัติเราก็เป็นมรรคสัตว์เป็นสมาทั้งกรปะอัตมาทิฏฐิสิ่งที่เราพิจารณานั้นที่จริงแล้วก็เป็นทุกขสัตย์ซึ่งตามปกติแล้วก็ให้เกิดความกำหนัดเพลิดเพลิพนยินดีเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีของบุคคลทั้งหลายแต่เมื่อมาสัมผัสกับ จ, กจักสุ ประสาทของพระพุทธเจ้าของพระพุทธศาสนาต้อก็คิดไปอีกเรื่องหนึ่งที่จะเป็นการเพิ่มขีดส่วนเทวทูตข้อที่4คือสมณะนั้นได้แก่กุศลธรรมที่เป็นรู ป, ปรธรรมปรากฏให้เห็นโดยภาพโดยการเคลื่อนไหวโดยการสํารวจระวังโดยการไม่เบียดเบียนประทุสรายการรู้จักผอมใจห้ามใจตัวเองไม่รู้อํานาจแกอารมณ์ มันก็เป็นกุศลธรรมที่เป็นรูปธรรมท่านก็ใส่ใจใส่ใจแล้วก็มุ่งที่จะเป็นอย่างที่ท่านผู้นั้นเป็นมุ่งที่จะได้อย่างที่ผู้นั้นได้มุ่งที่จะมีอย่างที่ผู้นั้นมีและในสุดก็จบมาที่การเสด็จออกพนุย์ทีนี้บางสิ่งบางอย่างที่พระองค์ก้าวเกี่ยวข้องนั้นเป็นเก็ตว่าบางทีมันไม่มีอะไร แต่ก็เป็นสัมผัสที่ผ่านมาทางตาแสดงว่าก็เป็นจักุวิญญาณแล้วก็เกิดสัมผัสขึ้นมาก็เป็นอาหารอีกอีกระดับหนึ่งที่ต่อเนื่องกันที่เรียกว่าจักรุสัมผัสแต่ระโพธิสัตว์ทั้งใใช้ประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์ได้แม้จากการฟังเสียงพินแม้จากการศึกษาจากพจนไม้ ซึ่งก็ที่จริงก็เป็นจกักรุสัมผัสในขนาดนั้นก็เป็นธรรมดาธรรมดาใครก็เห็นกันทั้งนั้นตอนไม้เพียงแต่ว่าญาณปัญญาของบุคคลไม่มีกําลังมากพอที่จะคิดคน้นที่จะหาความเข้าใจในเรื่องรบกดันดันพ้นธุ์สาารชนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าไม่ว่าอาหารที่ผ่านมาทางลาคอที่ท่านเรียกว่ากระวิลกกระหารก็ดี วิญญาณอาหารซึ่งที่จริงก็เป็นเหตุได้เกิดพวกกวลิงกราหันหรือปัตตาหารเราก็มีอยู่ทุกวันทักขณะของอารมณ์จ่ในกรณีนี้ขณะนี้สมมุติเรานั่งหลับตาเฉยๆตั้งสติกำหนรดระลึกรู้อยู่ที่ธรรมะซึ่งมีการแสดงก็จะเป็นโสตะวิญญาณคือก็วิญญาณอาหารแต่ว่าเป็นโสตวิญญาณ มันเป็นโสตวิญญาณคือความรู้ทางหูแล้วก็เป็นโสตสัมผัสคือการกระทบระหว่างอยายตนะภายในภายนอกวิญญาณแล้วก็กลายมาเป็นสัมผัสแล้วก็นําผลมายินดียินได้อยากฟังไม่อยากฟังมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาได้ในแต่ละช่วงแต่ละขณะเพราะวิธีการของพระพุทธเจ้าก็คือทำอย่างไงจึงจะไปแก้กรงล้อของสังสารวัฏ พวกนี้ได้ทำให้หมุนวนกันอยู่เพราะวิชาตาระหนอกปาทานกรรมนั้นเป็นกรรมแห่งตังสาระจักหมายความเหมือนกับเพลาของรถที่ทำให้รถมันแล่นไปได้แต่อะไรที่ยังมีวิชาตาระหนอกปาทานอยูนะ่การกระทำทั้งหลายของบุคคลก็จะกลายเป็นกรรมส่วนจะเป็นกุศลหรือกุศลหรือกลางๆนะเปอีกเรื่องหนึ่ง กันอยู่กับปริมาณของวิชาตระหนักปาทานกรรมแต่ที่แน่นอนที่สุดก็ต้องมีกรรมเกิดขึ้นเมื่อเกิดกรรมแล้วก็จะต้องเกิดได้รับผลของกรรมออกมาในลักษณะต่างๆการรับผลขึ้นมาแล้วันรับรู้ด้วยวิชาหรืออวิชาถ้าเรารับรู้ตามความเป็นจริงนองตั้งเด่ดดูนะถ้าเรารับรู้ตามความเป็นจริง เป็นรถน้อยๆเรือน้อยๆของแล้วเล่นต่างๆมันก็เป็นจากขวญวิญญาณเกิดเราเห็นก็ทางตาบางทีก็าสาธิตได้ดูก็อาจจะมีทั้งโสตวิญญาณด้วยแล้วก็มีโสตสัมผัสมีจกักรุสัมผัสคือการกระทบทางตาการกระทบทางหูการกระทบทางกายหรือแม้แต่การกระทบทางใจแล้วก็เกิดมันก็เกิด แต่ว่าเรารู้ตรงนี้ด้วยวิชาหรือครวิชาถ้าเรารู้เห็นตามความเป็นจริงท่านสาธุชนก็จะมองเห็นว่ากระบวนการของการเกิดแห่งรูปนั้นได้ลดความรุนแงรงลงไปเพราะอะไรพระวิชามันก็มีวิชาเข้าไปชดเชย อ, อยู่ได้ระดับหนึ่งคือควบคุมอยู่ได้ระดับหนึ่งตัณหาอยากเล่นอยากเที่ยวอยากซื้ อ, อยากดมอยากดูมันก็ไม่เกิด เป็นเรื่องปัญญารู้เท่าทันเป็นของเล่นของเด็กเป็นเรื่องของเด็กเดกรถน้อยๆเรือน้อยๆของสนุกสนานเมื่อตัณหาในอารมณ์นี้ไม่เกิดอุปาทานในอารมณ์นี้ก็ไม่เกิดอุปาทานในอารมณ์นี้ไม่เกิดกรรมคือการกระทําที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลก็ไม่เกิดถ้าทําก็ทํ า, ทาเป็นกุศลแต่ก็เป็นกุศลกรรมน้ำจีตของบุคคลในประณเทศกิน พลัง ว, วงลกของอวิชาตะนาุประธานกรรมและอาหารนั้นเอาก็จริงๆไม่ใช่เอาเฉพาะช่วงยาวไปช่วงสั้นๆในขณะของอารมณ์ที่เราระพบกับรูปเป็นรถนั้นมันก็พร้อมที่จะหมุนกลับเข้าไปเพิ่มหรือเป็นลดอวิชาตะนาวประธานกรรม แต่ว่าศึกษามองไปได้รับรู้มาทางประสาธทรสัมผัสก็ได้กว่าหนึ่งโดยความไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงอวิชามันก็เกิดขึ้นซึ่งเกิดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อคล้ายๆคนเล่นหวยแสดงมันมืดบอดเรามากอันหนึ่งต่อเก้า้อยเก้าบ้าประตูผิดรู้ล่วงหน้าไปแล้วเ9้าบ้าประตูประตูถูกมีอยู่ร้อยเดียว มีอยู่ประตูดเดียวแต่เพราะวิชามันปิดบังเหตุผลสติปัญญาเอาไว้เมื่อวิชาแก่มากขนาดนี้ตหาคเราต้องเกิดมากนะเมื่อตัหาเกิดมากแล้วเหตุผลสติปัญญาที่จะใช้มันก็ลดลงไปทำให้อุปาทานมันเกิดขึ้น ประธานเกิดมากก็ทําให้กรรมคือการกระทําในชีวิตประจําวันในขณะอารมณ์ในขณะแต่ละอารมณ์ของบุคคลนั้นจะเป็นไปในลักษณะที่รุนแรงโดยอํานาจของตัณหาโดยอํานาจของอุปาทานแต่ถ้ามองมุมกลับอีกมุมหนึ่งว่าถ้าเราเกิดรู้เห็นตามความเป็นจริงไปเรื่อยลักษณะอารมณ์หระหว่างเฉยในอารมณ์ทั้งหลายหรือเมตตากรุณาในอารมณ์ทั้งหลายเกิดมา อวิชามันก็จางลงไปตัณหามันก็จางลงไปอวิชาอุปาทานก็จางลงไปกรรมคือการกระทามันก็เป็นกุศลสัมผัสเหล่านั้นหรือว่าวิญญาณเหล่านั้นก็จะสามารถสร้างความสุขให้หรือว่าทำใจเป็นกลางได้ในกรณีที่ ไม่สามารถทำใจให้เป็นสุขก็ยินดีในกุศลนธรรมก็ทำใจเป็นกลางๆได้คือไม่ถึงก็ตกไปภายใต้อำนาจของพวกวิชาตนาวปาทานกรรมลัน ต, ตนาเหล่านี้หมุนวนทั้งช่วงสั้นช่วงยาวเป็นวงกลมเล็กเป็นวงกลมใหญ่แล้วก็ต่อยงใหญ่กันไปไม่มีที่สุดมันจึงทรงสอนในรูปของปริญญาธรรมคือธรรมะที่ต้องรู้ตามความเป็นจริงแล้วก็พยายามที่จะหาประโยชน์ แก่สิ่งเหล่านี้ให้ได้ในแง่มุมต่างๆเต็มตามสติตตตตปัญญาความสามารถของตนต่อต่ น, นี้ไปข อ, อให้ตั้งใจต้องความสงบสบเท่าไป